ไปพูดอะไรนะั่นไปขัดคอที่บ้านเมืองเขาด้วยเนี่ยนะที่วัดเขาด้วยเนี่ยไปขัดคอเจ้าวาดวัดไหนเดือดร้อนวดัดเธอละเชื่อฮะมันไปขัดคอผู้ที่เป็นเจ้าสํานักนี่มันทุกข์มากมเลยนะมันไปอยู่ในแหล่งน้องใครอย่าไปขัดคอเขาเด็ดขาดได้เวรกลับมาพระพิสูจน์เหล่านั้นท่านก็ไม่ไปขัดคอไปนั่งฟังฟังจบก่อใหม่ยินดีไม่คัดค้านลุกจากอาสนะจากที่นั่งนั้นะหลีไป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 เช้าวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะพวกข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีพวกข้าพระองค์ต่างมีความคิดร่วมกันว่ายังเชา้ชาอยู่นักเช้าอยู่นักแล้วว่าชาวบ้านเขาหุงข้าวยังไม่สุกเลยแบบนั้นเพรา ะ, ะนั่นอย่าเพิ่งไปถ้าไปตอนนี้เขาไม่มีข้าวใส่บาตรรองนะเขาไม่มีอาหารแห้งแบบสมัยใหม่หรือเปล่ามันาะ็ใส่ปลากระป๋องกับมา ม, า ม, ามา่าใช่ไหมแต่ว่าไม่มีปลากระป๋องใส่นะก็เลยต้องแม้ต้องรอสายๆน้อยหน่อยให้เขาหุงข้าวสุกก่อนแล้วค่อยไปแบบงั้นะ ก็เลยบอกว่าพวกเราอย่าเพิ่งเข้าไปบินทบาทในพระนครสาวถีเลยนนะทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญะเดรธีเถิดพวกข้าพระองค์ต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญะเดรถี ครั้นแล้วก็ได้สนทนาปราศัยกับพวกปริภาโชคัญญะเดรธีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วเจงนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกปริภาชกอัญญาเดรธีก็ได้กล่าวคํานี้กับพวกข้าพระองค์เรียกว่าขายทิฏฐิทันทีเลยนะเรียกว่าอย่างว่านะพวกสมัย คือคือทุกอย่างมันเขาเรียกว่าการขายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะไม่ว่าจะขายความคิดขายอุดมการขายสินค้าขายอะไรก็ช่างมันก็คือการขายพันเมื่อไปที่ไหนเนี่ยนะการพูดอะไรให้อีกคนหนึ่งฟังอ่ะจริงๆก็คือการขายขายสิ่งที่ทําคําที่พูดขายความเห็นขายอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันก็เลยลัดเดียร์ธีเหล่านั้นก็ขายลัที่ทิศของวะนะเป็นการเปรียบเทียบด้วยว่า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 น, นัก็แล้ก็ทำตัวเทียบตัวเสมอพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะังั้นการที่จะให้สาวกของเข้ามานับถือ อ, อยากให้สาวกของพระพุทธเจ้าไปนับถือพวกเขาเขาก็ขายว่าพวกเขาเองเนี่ยสูงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ระดับเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นระหว่างพระสมณโคดมกับพวกข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนีการพร่ำสอนคือการพร่ำสอนด้วยกันมันจะต่างกันตรงไห น, น พวกข่าพระองค์ก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านคําที่พวกปริพาโชคัญญะเดรธีเหล่านั้นกล่าวแล้วนะไม่ยินดีแปลว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยนะฟังแล้วไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเนี่ยไอคอนที่ไม่ค้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเห็นด้วยเสมอไปใช่ไหมเพียงแต่ว่าค้านยังไงก็ไม่สมควรค้านเพราะค้านแล้วก็มีเรื่องอันนี้ก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยหรอกแต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเป็นที่มาแห่งการโต้เถียงเนี่ยนะเป็น เรีว่าวิวาทเนี่ยนะมันก็มีสองอย่างทะเลาะวิวาทมันก็มีแพ้กับชนะทีนี้ไอ้เทียงชนะนี่มันโก้ตรงไหนออก่าเทียงชนะนี่มันไม่ได้เท่มันไม่ได้โก้ไม่แต่อะไรเลยเนี่ยนะไม่เห็นหน้ามันหน้าต้องการขณะแค่ไหนไม่หน้าปรารถนาแค่ไหนเขาบอกว่าการทะเลาะวิวาทมีอันนี้สองมีกําไรไหมถ้าถกกันจนชนะมีไหมบอกมีมีอะไรก็คือเนี่ยได้คําสรรเสริญบ้างนะแต่มันก็น้อยอันนึงนะ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 อาวุโสทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอั ส, สาธะอะไรเป็นอาทีนวะอะไรเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายใครว่าไหนๆก็จะบอกว่าแม้เหมือนกันระหว่างพระสมณะพวกเขากับสมณะโคโดมเนี่ยเหมือนกันไหนๆเอาคุยกันเลยว่าอะไรเล่าเป็นอะไรล่ะเป็นอัศสสาธาศุขโสมนัสคยดว่าความหน้าเพลิดเพลินของกามอะไรเล่าเป็นอัสสาธาของกาม แล้วอะไรเล่าเป็นอาทีนวะพิษภัยทุกโทษของกามอะไรเป็นนิสระการสลับการถ่ายถอนกามทั้งหลายนะเขาเรียกว่าเอาหลักสัจจะไปจับเลยเขาเรียกว่าไอที่เขาพูดนี่มันเข้าสัจจะข้อไหนนะหรือเขาเขาพูดพูดแบบคนเห็นอริยสัจพูดใช่ไหมเลยเรียกว่าอะไรเป็นอัศทะของกามคุณโด น, นั้นไม่ใช่คุณนะโยชนนะอัาธะความหน้าเพลิดเพลินสุขสมมนัสนั่นเอง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 เป็นอย่างไรเนี่ยคล้ายๆกับว่าอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะใครที่มีความรู้เรื่องรถเนี่ยแม้แต่ละรุ่ น, แ ต, นแต่ละรุ่นที่ออกเนี่ยเขาพูดได้หมดเลยนะเขาเครียกว่าพูดเรื่องรถอธิบายได้อย่างละเอียดหรือใครว่าใครที่พวกแบบชอบไกชนเนี่ยแม้พูดเรื่องไก่ชนแล้ว ม, มีจบมีสิน้นใครที่แบบแหมเลี้ยงสุนัขเนี่ยคุยเรื่องสุนัข ก, กันได้ไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยคือใครที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะชอบเนี่ยนะใครชอบกีฬาอันใดอันหนึ่งแม้คุยเรื่องนั้นเนี่ยคุยอย่างเห็นที่เรกกาาออถชติม เรียกว่าคอเดียวกันนี่ก็ลักษณะนั้นะนะถ้าคนที่บอกว่าแม้รอบรู้ในเรื่องกามเขาต้องรู้สิว่าอะไรเป็นอัสาทะของกามอะไรเป็นอาทีนวะของกามอะไรเป็นนิสรณการถ่ายถอนกามทั้งหลายนี่ต่อไปถ้าเขาเป็นคนที่รอบรู้เรื่องรูปจรงิงอะไรล่ะเป็นอัาทะความน่าเพลิดเพลินเกี่ยวกับรูปทั้งหลายอะไรเป็นอาทีนวะโทษของรูปทั้งหลายอะไรเป็นนิสรณการถ่ายถอนสลัดออกจาก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 อะไรเป็นหน้าความน่าชื่นใจความหน้าเพลิดเพลินอะไรเป็นโทษของสิ่งนั้นแล้วสลัดออกจากสิ่งนั้นสลัดได้อย่างไรทายถอนได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกัญญะเดรธีถูกพวกเธอถามอย่างนี้จักไม่พอใจเลยก็แปลว่าฟังแล้วโกรธเลยและตั้งคำถามแบบนี้นะโอ้โหโมเรื่องนีง้จริงๆเลยนะเพราะทเรียกว่าถามตรงประเด็นเข้าตอบไม่ได้อะไรจะได้อะไรมา คับแค้นอย่างยิ่งก็ได้โกรธอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยไม่ใช่แดนโคโจรเนี่ยนะไม่ใช่ความรู้คามสา ม, มารถของลัทธิปริภาชกัญญะเดรธีไม่ใช่เป็นความสา ม, มารถของกลุ่มอะไรกล่มที่ฐิหกสเลยไม่อยู่ในวิสัยของที่ฐิหที่จะเห็นอริยสัจใช่ไหมเพราะว่าข้อปฏิบัติของลัธทธิที่62ไม่ได้ประชมลงสู่อริยสัจไม่ได้อย่างลงสู่ อริยสัจอย่าลืมว่าอัศทะเนี่ยนะเป็นสมุทัยสัจจะอาทีนวะคือทุกขสัจจะนิสรณะการถ่ายถอนนั้นเป็นนิโรสัจจะและมรคสัจจะเพราะลัทธิอื่นๆไม่ใช่วิสัยที่จะยังลงสู่อริยสัจเมื่อไม่ยังลงสู่อริยสัจพอฟังคําถามเกี่ยวกับอริยสัจเข้าเกิดอะไรก็เดือดร้อนสิไม่พอใจเลยก็แปลว่ากโกรธมากเนี่ยน ะ, น ะ, นะนะแล้วก็ต้องคับแค้นอย่างยิ่งเนี่ยนะนะ ดูก่อนพิสษุทั้งหลายเราไม่เห็นผู้ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรปัญหาเหล่านี้หมายคาะว่าปกติคนทั่วๆไปไม่ได้ชอบตอบปัญหาเหล่านี้เลยในในโลกเอาทั้งโลกเลยนะในหมู่สัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีความสุขในการตอบปัญหาเหล่านี้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 นอกจากพระพุทธเจ้า course, i, พระพุทธเจ้าพูดรอบรู้ทำปริญญาเพื่อให้รอบรู้อสาศทาอาทีนวะนิสรณะของการพระพุทธเจ้าผ no ู้ม <in> <anda> um really ีทำปริญญาเนี่ยนะเจริญปริญญาเพื่อรอบรู้อสาศทาอาทีนวะนิสรณะของรูปพระพุทธเจ้าผู้ทําปริญญาเนี่ยนะรอบรู้อาศะทาอาทีนวะนิสรณะของเวทนาหรือไม่สาวกของพระพุทธเจ้าที่ทํากิจเหล่านั้นตาม